ต่อไปนี้จะได้พูดธรรมพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐผู้ได้ทรงตัสรุด้วยพระองค์เองสัจธรรมความจริงที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติได้หลุดพ้นจากความทุกข์การฟังธรรม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 เราก็จะเกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นสาจะกำจัดความสงสัยต่างๆไปได้สี่จะทำให้มีความเห็นที่ถูกต้องห้าจะทำให้จิตใจมีความสงบผ่องใสนี่คืออนิสงผลที่เราจะได้รับจากการฟังธรรมโดยเฉพาะ สัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องอันนี้เป็นผลที่สำคัญอย่างมากเพราะถ้าเราไม่มีความเห็นที่ถูกต้องเราก็จะมีความเห็นที่ไม่ถูกต ones, ้องนั่นเองเมื่อมีความเห็นที่ไม่ถูกต้องความคิดก็จะไม่ถูกต้องการพูดก็จะไม่ถูกต้องการกระทาก็จะไม่ถูกต้อง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 ในสายตาของผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมคือผู้ที่ตาไม่บอดอย่างพ่อพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านจะเห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ราบเออ ย, ยด์เอ่ยสัตเสริญเออยรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะเอ่ยนี้เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเพราะเหตุใดเพราะว่าเป็นความสุขปลอมเป็นความสุข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 ก็แสดงว่าพวกเรายังอยากเดินเข้าหากองไฟกันนี่คือเรื่องของสมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิก็คือพวกเราที่ยังเห็นกลงจากเป็นดอกบัว อ, อยู่เห็นกองทุกข์ว่าเป็นกองสุขอยู่เราจึงต้องร้องห่มร้องห้กันทุกกันด้วยกันทุกคน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 เพราะเวลาออกนี้ก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาอีกแบบหนึ่งเวลาที่เราต้องยุติหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะเราก็เกิดความทุกใจขึ้นมาเช่นถ้าเราสละเงินทองที่เรามีอยู่ไปให้หมดไม่อาศัยเงินทองเป็นเครื่องมือซื้อความสุขต่างๆ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 หรือคนที่เคยมีตำแหน่งใหญ่โตมีหน้ามีตามียศถาบรรดาศักดิ์แล้วก็จะต้องสูญเสียสิ่งเหล่านี้ไปก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาคนที่มีคนคอยสนเสริญเยินยออยู่อย่างต่อเนื่องพอสูญเสียการสนเสริญเยินยอไป มีแต่การคาลหานินทาว่ากล่าวต่างๆนานาก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาคนที่เคยมีรูปเสียงกลิ่นรสผลสัพพชนิดต่างๆไว้ให้เสพให้สัมผัสเวลาไม่มีก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล่นมันเป็นทุกข์ทั้งสองทางทุกข์ทั้งขณะที่มี และทุกขณะที่จะต้องถอยออกจากกองทุกนี้แต่ทุกที่เกิดจากการถอยออกจากกองทุกนี้เป็นทุกที่จะนำไปสู่ความสุขที่แท้จริงนำไปสู่ความทุกข์ที่ถาวรที่ไม่มีความทุกข์ตามมาแต่ถ้าอยู่กับความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นการ อยู่กับความทุกข์เพราะความสุขท mag ี่ได้จากสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นเพียงชั่วคราวได้ป๊บเดี๋ยวก็หมดไปหมดไปก็ทุกข์ก็ต้องหาใหม่หาใหม่เดี๋ยวก็หมดไปก็ทุกข์ใหม่กก็จะเป็นอย่างนี้ไปจนวันตายและไม่ใช่เป็นแต่เฉพาะภพนี้ชาตินี้เท่านั้นในอดีตชาติก็เป็นอย่างนี้มาตลอด นับไม่ท่วนจำนวนพบชาติที่เราทุกข์กับสิ่งเหล่านี้นั้นมีจำนวนมากมายจนที่เรานับจำนวนไม่ได้ว่าเท่าไหร่ถ้าจะประมาณพระพุทธเจ้าก็ท่งให้ให้คิดแบบนี้ว่าถ้าเราทุกครั้งที่เราหลั่งน้ำตาเนื่องจากเรามีความทุกข์กับสิ่งต่างๆในโลกนี้ถ้าเราเอาน้ำตาที่เราหลั่งนี้มา สะสมมาไว้มารวบรวมไว้น้ําตาที่เราหลั่งในแต่ละภพแต่ชาติที่เราได้หลั่งนี้มันจะมีมากกว่าน้ําในมหาสมุทรคิดดูก็แล้วกันว่าเราจะต้องมีภพชาติจํานวนเท่าไหร่กันถึงจะมีน้ําตามากกว่าน้ําในมหาสมุทรนั่นแหละคือความยาวนานของ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 หยุดการใช้รูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะซื้อความสุขให้ทําตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติพระพุทธเจ้าก็เคยติดอยู่กับกองทุกข์ของราบยศสรรเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะทรงเป็นพระราชโอรสทรงได้สัมผัสกับความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภะ และได้สัมผัสความทุกข์ที่ได้จากทราบยศเสริเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะเช่นเดียวกับพวกเราแ ต, แต่พระองค์นี้ต่างจากพวกเราตรงที่พระองค์ทรงเห็นโทษเห็นความทุกข์ของสิ่งเหล่านี้มากกว่าที่จะเห็นความสุขพวกเรานี้จะเห็นแต่ความสุขจะไม่เห็นความทุกข์ เวลาทุกข์ก็ลืมไปได้อย่างรวดเร็วพอหายทุกข์แล้วก็ลืมไปไม่เคยเข็ดลาบไม่เคยกลัวสิ่งเหล่านี้เวลาทุกข์กับราบยศสรรเสริญพอความทุกข์นั้นหายไปก็กลับไปหาราบยศสรรเสริญใหม่แต่พระพุทธเจ้านี้ท่านทรงเป็นผู้ที่มีความจำดีไม่ลืมง่าย เวลาที่พระองค์ทรงทุกข์กับเรื่องของการความเสื่อมของลาบยศสารเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะทรงจําไว้ในพระทัยของพระองค์จนทําให้พระองค์นี้ไม่อยากที่จะเกี่ยวข้องกับลาบยศสารเสริญกับรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะทรงอยากที่จะไปหา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 แล้วทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติเถิดแล้วเราจะได้ได้พบกับความสุขที่แท้จริงเพราะเราได้ออกจากกองทุกข์และไม่กลับไปที่กองทุกข์นั่นอีกนั่นเองการที่เราต้องปฏิบัติทานศีลภาวนาก็เพื่อที่จะดึงใจเราให้ออกจากกองทุกข์นี้เท่านั้นและป้องกันไม่ให้ ใจของเราวิ่งกลับไปหากองทุกข์นี้เวลาเราทำทานก็เท่ากับเราสละสิทธิ์การใช้เงินซื้อความสุขต่างๆแล้วเวลาที่เราไปภาวนาไปปีกวิเวกไปรักษาศีลไปทำใจให้สงบก็เพื่อที่จะหยุดใจไม่ให้กลับไปหากองทุกข์นั่นเองถ้าใจเราไม่สงบเดี๋ยว ก็จะคิดถึงลาบยศสรรเสริญจะคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาภะพอคิดแล้วก็จะเกิดความอยากที่จะกลับไปหาความสุขเหล่านั้นอีกและจะลืมความทุกไปอย่างสนิทเลยลืมไปเลยว่าที่ออกมานี่ก็เพราะว่ามันทุกแต่พอออกมาแล้วมันก็ถูกความหลงหลอกให้เกิดความอยากขึ้นมาให้เห็น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 เดี๋ยวมันก็จะหลอกให้เรามีความอยากที่จะกลับไปหาสิ่งต่างๆเหล่านั้นอีกเหงนั้นการภาวนาจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคอยสอนใจคอยเตือนใจให้มองให้เห็นถึงความทุกข์ที่เราได้สละมาถ้าเราได้ออกจากชีวิตแบบนั้นแล้วอย่างที่พระพุทธเจ้าได้สรงปฏิบัติได้สรงสละชีวิตแบบนั้น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 ใจไม่ร้อนความร้อนเกิดจากความอยากที่จะกลับไปหารูปเสียงกลิ่นรถผลปพะหาลาบยศสลรเสวนี่เองแต่ก็เป็นความสงบชั่วคราวเพราะอยู่ในสมาธิได้ไม่นานก็จะต้องถอนออกมาพอถอนออกมาถ้าไม่ควบคุมความคิดเอาไว้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 สิ่งต่างๆที่เราได้ทิ้งมานั้นที่เราได้จากมานั้นมันเป็นเหมือนกองไฟเป็นเหมือนบ้านที่ไฟไหม้อยาจะกลับเข้าไปในบ้านที่ไฟกำลังลุกไหม้ทำไมกลับเข้าไปก็เท่ากับไปเผาตัวเราเองเท่านั้นเองชั้นใดถ้าเรายังมีความปรารถนาที่อยากจะกลับไปหาลาบยศสรรเสริญกลับไปหารูปเสียงกลิ่นรสโพธิภะอยู่ก็ เป็นเหมือนกับการที่เราอยากจะกลับเข้าไปในบ้านที่ไฟกำลังไหม้อยู่นั่นเองนี่คือเรื่องของการภาวนาเพื่อที่จะดึงใจเอาไว้ไม่ให้กลับไปหาความทุกข์ต่างๆที่เราได้ทิ้งมาแล้วถ้าเราเป็นนักปฏิบัติที่เอาจรงิงเอาจังเป็นนักปฏิบัติที่ต้องการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์เหล่านี้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 ความทุกข์ต่างๆเพราะสอนให้พวกเราอยู่แบบดำพังไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีลาบไม่ต้องมียศไม่ต้องมีสรรเสริญไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสผลเถรพาแต่การที่เราจะอยู่อย่างอย่างนี้ได้เราก็ต้องมีเครื่องมือคอยดึงใจเอาไว้ไม่ให้กลับไปหาลาบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสผลเถพภา เคื่องมือชิ้นแรกก็เรียกว่าสตินี่เองเราต้องคอยควบคุมความคิดอย่าปล่อยให้คิดเพราะถ้าคิดแล้วจะคิดถึงเรื่องราบยศสรเสริญคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์แล้วก็จะเกิดตัณหาความอยากตามมาถ้าเราควบคุมความคิดได้ด้วยสติได้ใจก็จะว่างใจจะไม่มีความอยากที่จะกลับไป เวลานั่งเฉยๆหลับตาหยุดความคิดได้ใจก็จะสงบพอใจสงบเต็มที่ก็จะเกิดความสุขที่มหัดสัจ ร, รัน์ความสุขที่เราไม่เคยพบมาก่อนความสุขที่เกิดจากการหยุดของความคิดปรุงแต่งการหยุดของความอยากต่างๆพอเราได้พบกับความสุขแบบนี้แล้ว เราก็จะมีมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจมีหลักมีเกณฑ์เรารู้แล้วว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ตรงนี้เองไ ม, ไ, อเไม่ได้อยู่ที่ลาบยศสรรเสริญไม่ได้อยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาภะเมื่อเรารู้แล้วเราก็จะพยายามสอนใจดึงใจเอาไว้เวลาออกจากความสงบนี้ สอนใจเตือนใจอย่าให้ลืมอย่าให้หลงเวลาเกิดความคิดที่อยากจะกลับไปหาความสุขต่างๆจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะจากาะลาภยศสรรเสริญถ้าเรามีความคิดคอยเตือนใจเราอย่างนี้ไปเรื่อยๆไว้ต่อต้านไว้หยุดความอยากต่างๆต่อไปความอยากก็จะอ่อนกำลังลงไป แล้วก็จะหมดไปได้ในที่สุดอันนี้ก็เป็นกองไฟกองแรกที่เราต้องสละแต่เรายังมีกองไฟอีกสองกองที่เรายังต้องสละต่อไปกองที่สองก็เรียกว่าขันห้านี้เองรูปเมทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้ก็เป็นกองไฟอีกกองหนึ่งที่เรายังติดอยู่เรายังติดอยู่กับรูป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 ก็เราจะมีแต่ความรู้สึกที่สุขอย่างเดียวเราจะไม่ต้องมีความรู้สึกที่ทุกข์ทุกวันนี้ในโลกนี้เขาพยายามผลิตผลิตผลิตผลิตผลิต่างๆก็เพื่อมาดับความทุกตผลิตผลิตผลิตเลิตผองตผลิตผลิตผลิตผลิเผลิตผลิตผลิตผลิตผลิตตผลตผลิตผลิตผลิตผผลิตผลิตผลิตผ่ิตผลิตผลิตผลิตผ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 นี่คือวิธีแก้ปัญหาไม่ได้แก้ด้วยการไปผลิตสินค้าต่างๆขึ้นมาอย่างที่โลกกันทํากันอยู่ผลิตสินค้าทุกอย่างนี้มาก็เพื่อที่จะมารักษาสุขคเทนามากําจัดทุกขเวทนาแต่ผลิตมามากน้อยเพียงไรก็ไม่สามารถที่จะไปกําจัดมันได้อย่างถาวร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 หรือเวลาเครื่องเสียแล้วไม่มีเงินไปซ่อมอย่างนี้เราก็จะเดือดร้อนขึ้นมาเราจะทุกข์ทรมานยิ่งกว่าตอนที่เราไม่มีเครื่องปรับอากาศตอนที่เราไม่มีเครื่องปรับอากาศเราอยู่ได้เพราะเราทําใจยอมรับกับสภาพร้อนก็ทนเอาร้อนมากๆก็อาบน้ําเอาเอาผ้าเช็ดน้ํามาถูเอาพอถูถ่ายพออยู่กันไปได้ แต่พอเราไปพึ่งเครื่องปรับอากาศขึ้นมาพอเวลาไม่มีเครื่องปรับอากาศให้เราเพึ่งแล้วนี้ใจก็วุ่นใจก็ทุกข์ขึ้นมานี่คือวิธีการแก้ต้องแก้ด้วยภาวนาต้องหมั่นทําใจให้สงบหมัน่นเจริญสติเว ล, ลาใจสงบแล้วใจจะไม่วุ่นวายไปกับเรื่องของร่างกายเรื่องของขัน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 ที่เป็นความทุกข์ที่เราจะทนไม่ได้รับไม่ได้พระพุทธเจ้าพระอารหันต์นี้ท่านไม่มีทุกระทุกชั้นนี้ทุกในจิตนี้ท่านไม่มีทุกในอริยสัจนี้ท่านไม่มีเพราะท่านมีปัญญาท่านเห็นใจรักเห็นอนัตตาเห็นว่าสิ่งต่างๆนั้นเราไม่สามารถที่จะไปสั่งเขาให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้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 หรือไม่สุ ข, ไ ม, สขไม่ทุกขเวทนาใจจะรับได้หมดสามัญเท่ากันน้ำหนักเท่ากันหมดหรือว่าร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายถ้าใจนิ่งเฉยเฉยไม่มีความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะรับได้เพราะไม่มีความทุกขอีกชั้นหนึ่งที่เกอิดจอากความอยากนี้เองนี่แหละคือวิธีกำจัดแก้ปัญหาที่แท้จริง ปัญหาที่แท้จริงไม่ได้อยู ah, atz, ่ที่ร่างกายไม่ได้อยู่ที่ขันไม่ได้อยู่ที่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณปัญหาที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ความทุกข์ในใจที่เกิดจากปัรหาความอยากที่เกิดจากความหนงไม่รู้จักวิธีแก้ปัญหานี้แทนที่จะไปแก้ที่ใจกับไปแก้ที่ร่างกายไปแก้ที่เวทนา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 นอกจากกองทุกข์ในขันแล้วก็ยังมีกองทุกข์ในจิตอีกกองหนึ่งด้วยกองทุกข์ในขันนอกจากร่างกายของเราแล้วก็ยังไปทุกข์กับร่างกายของคนอื่นทุกข์เพราะอะไรเพราะชอบเขาเห็นเขาสวยเห็นเขางามเห็นเขาน่ารักหน้าชื่นชมน่ายินดีก็เลยไปยึดไปติดกับเขาไปจับจองเขาเป็นเจ้าของพอเวลาเขา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 นี่เราต้องแก้ตรงนี้ถึงจะออกจากกองทุกข์ของขันได้นะนอกจากกองทุกข์ของขันแล้วก็ยังมีกองทุกข์ของจิตที่ยังมีความหลงอยู่ในนั้นยังมีอัตตาตัวตนอยู่ในอยู่ในจิตนั้นนะที่คอยผลิตความทุกข์ให้กับใจอยู่อย่างต่อเนื่องก็ต้องเข้าไปละตัวตนในนั้นให้ได้ นี่แหละคือเรื่องของกองทุกข์ต่างๆเริ่มตั้งแต่กองทุกข์ภายนอกคือราบยศสารเสริญรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะบุคคลต่างๆสิ่งต่างๆที่เราอาศัยให้ความสุขกับเราเนี้เขาไม่ได้ให้ความสุขเราอย่างเดียวเขาให้ความทุกข์กับเราด้วยและเป็นความทุกข์ที่มากกว่าความสุขเวลาที่เราจะต้องสูญเสียเขาไป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 สมบัติเป็นของเรายศเป็นของเราอสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นของเราลูกเป็นของเราสามีเป็นของเราภรรยาเป็นของเราบริษัทเป็นของเรากิจกรรมอะไรต่างๆเป็นของเราไปหมดให้ความสุ ข, ขกับเราแต่เวลาทุกข์กับมันกับมองไม่เห็นนี่เขาเพราะความหลงมันมันปิดตาเราอยู่ไม่ยอมให้เรามองเห็นความทุกข์ในสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่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 เอวเมวะอิโตทินนางเปตานังอุปกาปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิดเป้าเมวะสนิจจตุสัพเพโปรยนตุสังกาปาจันโทปันนะรโสยทามนิโชติระโสยทาสัพพิติโยวิวัชจันตุสัพพโรโควินัสตุ มาเตผวะตะวันตราโยสุขีทีกายุโกภะอาภีวาธนสีลิสานิจังวุทธาปจายิโนจตารุธรรมวัฏานติอายุวันโอสุขังภาลาง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 ั้ถ้าใครอยากจะถามก็เชิญขึ้นมาได้ถ้ายังไม่มีก็จะให้ทางบ้านที่ถามผ่านทางอินเทอร์เน็ตาถามก่อนขอเรียนสอบถามพระอาจารย์ครับาการาพิจารณาอสุภมีรายละเอียดทำยังไงบ้างครับผมก็ดูเพ่อให้เราดับการมารมณได้นะั่นเอง การมารวมของเราเกิดจากการที่เราไปเห็นส่วนสวยงามของร่างกายโดยเฉพาะเวลาที่เขาเสริมสวยกันเวลาที่เขาออกไปข้างนอกบ้านนี้เขาจ ะ, ะจัดการกับร่างกายให้ดูน่าดูน่าน่าชมเราก็ต้องมองพลิกกลับดูในส่วนที่ไม่น่าดูน่าชมส่วนที่ไม่น้ไม่น่าดูจริงๆก็ส่วนที่อยู่ภายในของร่างกายนี้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 เห็นส่วนที่ไม่สวยงามเอาชนะกามารมได้กามารมไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้เพราะท่านล้มนึกถึงภาพนั้นอยู่ตลอดเวลาเวลาเห็นภาพของคนที่เขาเสริมสวยด้วยเสื้อผ้าอา่อนด้วยเครื่องเสริมสวยต่างๆพอนึกถึงภาพของคนที่ตายไปกามารมก็จะดับไป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 แต่ตอนนี้ไม่มีแม่แล้วค่ะคำถามอยู่ตรงไหนคำถามอยู่ตรงบอกว่าคำถามถามว่าค่ะพระอาจารย์ถามเรียนถามว่าพระอระหันต์นะคะเมื่อบารุ้รมแล้วสามารถทำประโยชน์เพื่อโลกนี้ได้อย่างมหาศาลท่านดำรงร่างกายสังขารให้อยู่ในโลกนี้ได้อย่างไรคะทั้งที่ไม่มีกิเลสปรุงแต่งนะคะคิดว่างท่านก็กินก็นอนเหมือนปกติเหมือนคนหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ทำไมใจทาอะไร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 ถ้ากินแบบคนที่ไม่โรกก็กินวันละมื้อก็พอสาธุค่ะคาถามที่สองต่อมานะคะของคุณบุตรปดาศาักคือโยมนั่งสมาธิเห็นกายและจิตนะคะเป็นคนละส่วนกันแต่คงอาศัยกันเท่านั้นกายตายไปแต่จิตไม่มีวันตายไม่มีวันสูญ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 ละได้แต่เมื่อเรามีอุเบกขาค่ะทุกค่ะคำถามต่อไปค่ะจากคุณธันรวีสุภาวัฒนินิติพน์ค่ะนิติพรค่ะเมื่อเรานั่งสมาธิแล้วได้ยินเสียงเหมือนโต๊ะขยับหรือของเลื่อนประจำเลยค่ะส่วนตัวเองก็พยายามทิจะละความกลัวพยายามดูภาพศพภาพการเผาศพจริงๆเพื่อให้ลด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 สาธุค่ะคําถามที่สามจากท่านเดิมค่ะความกตันยูรู้คุณต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณทั้งหลายนับเป็นสิ่งที่ต้องทําเสมอตราบเท่าที่มีลมหายใจแต่ในบางครั้งมีคําถามเสมอในใจการเวลาเดินไปอย่างรวดเร็วไม่มีการหยุดหรือถอยหลังกลับแต่ทําไมเราถึงไม่สามารถทําในสิ่งที่ตั้งไว้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 แต่เราก็ต้องดูตัวอย่างของคนที่เขาสามารถทำความดีได้เช่นพระพุทธเจ้าชเช่นพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายทาไมท่านทำได้ท่านก็มีสิ่งเหล่านี้อยู่ในใจของท่านมาเมื่อก่อนนี้เหมือนกับเราท่านก็เคยเป็นผู้ตุชนเหมือนกับเรามาก่อนอแต่ท่านมีความวิริยะอุตสาหาะท่านมีจิตใจที่แน่วแน่ต่อการทาความดีคือมีจิตใจที่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 เราตั้งใจจะทำอะไรนี้เราทำได้หมดค่ะสาธุค่ะคำถามจากท่านสุดท้ายนะคะหนูพยายามสรุปเธอก็คือลูกศิษย์หลวงตาบัวนั่งฟังหนังสืออ่านหนังสือธรรมะฟังธรรมโดยเฉพาะเทนาของหลวงตามาตลอดนะคะจนกระทั่งเธอบอกว่าครั้งหนึ่ง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 เขาให้ความสุขกับเราแต่เราต้องไปทุกข์กับเขาเพราะต้องคอยหาเขาอยู่เรื่อยๆต้องไปคอยกินอยู่เรื่อยๆเวลาไม่ได้กินก็ทุกข์ถ้าไม่ถ้าไม่อยากกินไม่จกินเลยต่อไปก็สบายไม่ต้องไปหากาแฟไม่ต้องไปหาขนมอะไรมากินให้มองเห็นความทุกข์ที่เกิดจากการทำตามความอยากหมด<อ>แล้ใช่ไหมหมดแล้วค่ะพระอาจารย์แถวนี้มีใครกระถามไหมวันนี้เดี๋ยว ปิดไม้แล้วห้ามถามนะอันนี้พูดจริงๆนะเพราเหนื่อยพูดนันทีอยากจะได้ให้มีประโยชน์เนี่ยพูดกับคนสองคนมันได้นิดเดียวพูดนี้คนอื่นจะได้รับประโยชน์ด้วยคิดว่าพวกเราเป็นเหมือนกันเป็นนักโทษเหมือนกันมีความทุกข์เหมือนกันถ้าเรามีปัญหาคนอื่นเขาก็มีปัญหาเหมือนเราพอเราพูดแล้วเขาก็จะได้รู้จักวิธีแก้ปัญหา